อธิบายวิญญาณมนโนและจิตในสองปิด ก, ดกเมื่อจะจัดเข้าในขันห้าหรือว่าจัดขันห้าเข้าในโหมดเจตสิกวิญญาณจัดเข้าในโหมดจิตเวทนาสัญญาสังขารสมนี้เป็นเจตสิกเจตสิกทั้งปวงนี้เมื่อย่อนย่อลงแล้วก็ย่นย่อลงในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหมด และอธิบายตามในอภิธรรมนี้วิญญาณในขันห้ามนะในอายตนะภายในและจิตที่กล่าวถึงในที่ทั้งปวงจัดเข้าในหมวดจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลักของการจัดหมวดจิตในอภิธรรมจึงต่างจากหลักของการแสดงจิตมโนโลและวิญญาณในสุตตันต์หรือในพระสูตรในพระสูตรนั้นจิตมีความหมายอย่างหนึ่ง วิญญาณมีความหมายอย่างหนึ่งมโนมีความหมายอย่างหนึ่งดังที่แสดงแล้วในอนัตตลกขณสสุดและในอาธิตะปะริยายสุรกล่าวโดยย่อในอนัตตลกขณสสุดวิญญาณนั้นเป็นขันห้าข้อหนึ่งซึ่งตกในลักษณะของไตรลักษ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังที่ในปพระสูตรนั้นสอนให้รู้ว่าวิญญาณเป็นอนัตตา ในอาทิตตปริยายสูตรมณะเป็นอายตนะภายในข้อหนึ่งที่ท่านสอนให้พิจารณาว่าเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นคราวนี้ใครเป็นผู้พิจารณาวิญญาณว่าเป็นอนัตตาพิจารณามณะว่าเป็นของร้อนต้องมีผู้พิจารณาอีกผู้หนึ่งไม่ใช่วิญญาณพิจารณาวิญญาณเอง หรือมณะนะพิจารณามณ ะ, ะเองในตอนท้ายของพระสูตรทั้งสองนี้ก็แสดงว่าจิตพ้นจากอาสวะกิเลสแต่ว่าไม่ได้แสดงว่าวิญญาณพ้นหรือมณ ะ, ะพ้นจะแสดงอย่างนั้นก็ย่อมไม่ได้เพราะเมื่อวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้พ้นกิเลสและมณะนะก็เป็นของร้อนเพราะไฟกิเลส ก็ไามา่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ผลนักอภิธรรมบางท่านได้กล่าวหาผู้ที่แสดงอย่างนี้ว่าแสดงขันหกคือแสดงจิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขันเพราะว่าตามอภิธรรมนั้นจิตมรณะวิญญาณอยู่ในหมวดจิตอันเดียวกันคราวนี้ถ้าพิจารณาดูให้รู้อธิบายของท่าน และเมื่อต้องการจะพูดถึงธรรมะในปิดกไหนก็เอาอธิบายของปิดกนั้นมาอธิบายก็ไม่ยุง่งคือว่าเมื่อจะอธิบายอภิธรรมก็อธิบายว่าทั้งสามนี้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อจะอธิบายพระสูตรก็อธิบายตามหลักฐานในพระสูตรดังกล่าวมาแล้วแต่อภิธรรมนี้ได้เป็นที่นิยมนับถือมาเป็นเวลาช้านานพระอาจารย์ผู้อธิบายพระสูตร เมื่อจะอธิบายถึงจิตถึงมโนถึงวิญญาณก็คัดเอาคําอธิบายในอภิธรรมมาใส่ไว้ในพระสูตรด้วยเพราะฉะนั้นจึงเกิดความสับสนกันขึ้นดังเช่นบาลีพระสูตรกล่าวถึงจิตพระอาจารย์ผู้อธิบายก็คัดเอามาจากอภิธรรมว่าจิตตันติวิญญาณังวิญญาณชื่อว่าจิตเป็นอย่างนี้เป็นพื้นตั้งแต่ชั้นอัตถกถาลงมาอันนี้แหละเป็นเหตุให้สับสนกัน ถ้าหากว่าแยกเสี้ยดังที่กล่าวมาแล้วก็จะไม่สับสนพิจารณาดูในคำภีอภิธรรมนั้นท่านต้องการแสดงเพียงขันห้าเท่านั้นคือจาแนกขันหออกไปอย่างวิจิตพิสดารวิญญาณก็จำแนกออกไปเป็นจิตต่างๆอย่างวิจิตพิสดารและเวทนาสัญญาสังขารก็จำแนกออกไปเป็นเจตสิกถึง52จาก3ไปเป็น52 แล้วรูปก็ยังจำแนกวิจิตพิสดารออกไปอีกมากมายฉะนั้นเมื่อจับได้ว่าท่านต้องการจะอธิบายธรรมะแค่ขันห้าให้พิสดารท่านจะเรียกว่าจิตว่ามณะนะหรืออะไรอะไรก็ตามเราก็เข้าใจไปตามที่ท่านประสงค์ก็เป็นการไม่ยุ่งแต่ก็ไม่ควรจะไปอธิบายให้ปะปนกันและที่ท่านจำแนกจิตไว้ถึง89ดวง ก็ด้วยยกเอาเจตสิกขึ้นมาเพียงสาข้อเท่านั้นคือเวทนาหนึ่งญาณะความรู้หนึ่งสังขารคือปรุงขึ้นเองหรือว่าต้องกระตุ้นเตือนหนึ่งเจตสิกมีถึง52ยกขึ้นมาเพียงสาข้อยังแจกออกไปได้ตั้ง89คราวนี้ถ้ายกทั้ง52ก็จะได้จิตนับหาท้วนใหม่เพราะฉะนั้นจิตที่แจกไว้นั้นก็หมายความว่า ยกขึ้นมาไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นจิตของคนก็เป็นอย่างนั้นเพียงในระยะครู่หนึ่งก็มีความคิดไปต่างๆมากมายปฏิสนธิและจุติเรื่องในอภิธรรมบางประการก็สนิฐานว่าท่านเก็บเอามาจากความเชื่อเก่าดังเรื่องสวรรค์หกชั้นเป็นต้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ควรทราบ โดยที่สุดแม้ในฐานะเหมือนอย่างเป็นวรรณคดีและการสันนิษฐานโดยเหตุผลนั้นก็มีทางที่จะพึงทำได้การที่นำมาเล่าก็จะเล่าไปตรงตงตามที่ท่านแสดงไว้ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องปฏิสนธิและจุติเป็นพิเศษเก็บจากที่ท่านแสดงไว้ในปริเชตต่างๆปฏิสนธินั้นมีสคือ 1. อ ป, ปายะปฏิสนธิ ปฏิสนธิในอบายอบายแปลว่าพบชาติที่ปราศจากความเจริญ 2. กามปฏิสนธิปฏิสนธิในพบชาติที่เป็นสุกติชั้นกา ม, มาพจรคือยังอย่างลงในกาม 3. ามรูปาวจรปฏิสนธิปฏิสนธิในพบชาติที่เป็นรูปาวจรคือยังลงในฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์ 4. อรูปาวจรปฏิสนธิปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นอรูปาวจรคือยังลงในฌานที่มีอรูปเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอบายนั้นท่านแสดงอบายภูมิคือภูมิชั้นที่เรียกว่าอบายไว้สี่ได้แก่ 1. น, นิระยะแปลตามศักว่าที่ที่ไร้ความเจริญเราแปลกันว่านรก 2. ติรชานโยนิกำเนิดดิรชานได้แก่สัติรชานทุกประเภท 3. เปตะวิสยะวิสัยเปรตได้แก่ภูมิพบของเปรตหมายถึงสัตว์จำพวกหนึ่งที่เกิดมาเพื่อรับผลของกรรมที่เป็นส่วนเศษเช่นว่าเมื่อไปนรกแล้วหลุดจากนรกแต่เศษของกรรมนั้นยังไม่หมดก็ต้องไปเกิดเป็นเปรต ใช้เศษของกรรมไปจนหมดก่อนสอสุรากายะแปลว่าสัตว์ที่มีกายไม่กล้าก็น่าจะได้แก่พวกผีต่างๆไม่ปรากฏกายออกมาโดยเปิดเผยสี่จำพวกนี้เรียกว่าอบายภูมิปฏิสนธิในสัตว์ทั้งสี่จำพวกนี้ก็เรียกว่าอปายะปฏิสนธิส่วนมนุษย์กับสวรรค์หกชั้น ตั้งต้นแต่ชั้นจาตุมหาราชจนถึงชั้นปรนิมวิตวสวัตีรวมเป็นเจทั้งมนุษย์นี้เรียกว่าภูมิสุขติที่เป็นชั้นกาหมาปจรเมื่อปฏิสนธิในเจ็ดจำพวกนี้ก็เรียกว่าปฏิสนธิในกา마สุขติเป็นกา마สุขติปฏิสนธิฉะนั้นเมื่อรวมอวัยภูมิสกับกา마สุขติภูมิอีกเจเป็น11อ สิอดภูมินี้เรียกว่ากามาวจรภูมิภูมิที่อย่างลงในการทั้งหมดส่วนภูมิของพรหมที่ไปเกิดเพราะได้รูปฌานก็เรียกว่ารูปาวจรภูมิปฏิสนธิในภูมินี้ก็เรียกว่ารูปาวจรปฏิสนธิภูมิของผู้ได้อารูปฌานก็เรียกว่าอารูปภูมิปฏิสนธิในภูมินี้ก็เรียกว่าอารูปาวจรปฏิสนธิ คราวนี้เมื่อว่าถึงจิตที่จะทำให้ไปปฏิสนธิในภูมิเหล่านั้นจิตที่เป็นอกุศลวิบากก็เรียกว่าสังติระนาจิตซึ่งประกอบด้วยอุเบกขาอันเป็นอกุศลวิบากก็ให้ปฏิสนธิในอบายภูมิส่วนที่จะให้เกิดในชั้นมนุษย์นั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลวิบากอันตรงกันข้ามแต่ว่าก็ยังมีต่างกัน ถ้าเป็นกุศลไม่บากจิตที่เป็นชั้นอ่อนก็ให้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งทุรพลวิการหรือว่าขาดแคลนดังเช่นตั้งปัญหาว่าคนที่มีสติปัญญาทึบที่สุดหรือใบ้บ้าเสียจริตนั้นเกิดด้วยกุศลจิตเช่นไรนี่ท่านก็ตอบว่าเกิดด้วยกุศลจิตที่เรียกว่าทุเหตุตุกัดแปลว่ามีเหตุสอง เหตุที่เป็นเหตุ ฝ, ฝ่ายกุศลนั้นกล่าวเป็นชื่อไว้สามคืออโลภะอโทสะอโมหะดังที่ได้แสดงแล้วแต่ถ้ามีเหตุเพียงสองคืออโลภะอโทสัแต่ว่าขาดอะโมหะคือแปลว่าขาดปัญญาอาจจะหมายความว่ามีน้อยก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้เกิดมาเป็นคนทึบมากหรือว่าใบ้บ้าเสียจริต แม้มีเหตุสามคือมีอโลภาอโทสะอโมหะเป็นเหตุแต่ว่าอ่อนก็ทําให้ระดับของความเป็นมนุษย์พร้อมทั้งเครื่องแวดล้อมต่างๆอ่อนลงถ้าเหตุที่เป็นกุศลทั้งสมนี้บริบูรณ์และมีกําลังแรงความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สมบูรณ์จิตต่างๆตามที่ท่านจัดเอาไว้เป็นกุศลจิตและอกุศลจิตนั้น ก็หมายถึงจิตที่มีกำลังแรงจนถึงเป็นตัวกรรมคือว่ามีกำลังแรงจนถึงเกิดเป็นเจตนาได้แก่จิตที่เป็นชั้นชวนะทั้งหลายถ้าเป็นจิตที่ไม่แรงถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เป็นกุศลอกุศลคือยังไม่เป็นตัวกรรมนั่นเองอย่างที่เรียกกันในปัจจุบันว่าเป็นจิตใต้สำนึกแต่จิตที่เป็นตัวกรรมได้นั้น เป็นจิตที่มีกำลังมีเจตนาทำนองเป็นจิตสานึกตัวกรรมนั้นก็ดังที่ได้เคยทราบแล้วว่ากรรมที่เป็นตัวเดิมก็คือเจตนากรรมที่เป็นตัวรองก็คือการกระทำที่สืบจากเจตนาออกไปเป็นการงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่มีพระพุทธภาษิตว่าเจตนาหังพิก เ, เวกัมมังวัามิภิกษสุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นตัวกรรมเพราะว่าบุคคลตั้งเจตนาขึ้นแล้วจึงทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างฉะนั้นในคำพีอภิธรรมนี้จึงได้จำแนกกรรมไว้หมดละสี่ข้อรวมเป็นสามหมดด้วยกันกรรมส2องหมวดที่หนึ่ง จำแน่กรรมไว้ตามกิจคือหน้าที่กิจแปลว่าการงานที่พึงกระทาก็หมายถึงหน้าที่ได้แก่ 1. ชนะกกกรรมกรรมที่ให้เกิด 2. อุปธรรมภกกรรมกรรมที่เป็นอุปธรรม 3. อุปปีลกกรรมกรรมที่เบียดเบียน 4. อุปคาตกรรมกรรมที่ตัดรอนชนะกรกรรม กรรมที่ให้เกิดนั้นได้แก่กรรมที่ให้ถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งดังกล่าวมาแล้วอุปธรรมภกกรรมกรรมที่อุปธรรมนั้นได้แก่กรรมที่คอยอุปธรรมอุปธรรมอะไรก็อุปธรรมชนะกรรมนั้นเองถ้าชนะกรรมส่งให้เกิดมาดีก็อุปธรรมให้ดีนานและมากขึ้นถ้าชนะกรรมส่งให้เกิดมาไม่ดี ก็อุปัรรมให้ไม่ดีนานและให้ไม่ดีมากขึ้นคือว่าดีก็อุปธรรมให้ดีนานและมากขึ้นชั่วก็อุปธรรมให้ชั่วนานและมากขึ้นอุปปีลกรกรรมกรรมที่เบียดเบียนได้แก่ถ้าชนากะกรรมส่งให้เกิดมาดีก็เบียดเบียนให้ดีน้อยเข้าหรือว่าให้ดีนั้นมีสั้นเข้าคือแปลว่า ให้ดีไม่สะดวกต้องขัดข้องอย่างไรอย่างหนึ่งถ้าชนกกรรมส่งให้เกิดมาไม่ดีก็เบียดเบียนให้ไม่ดีนั้นน้อยเข้าสั้นเข้าทำให้ผลที่ไม่ดีต่างๆดำเนินไปไม่สะดวกอุปคาตา ก, กรรมกรรมที่ตัดรอนอันนี้แรงกว่าอุปปีลักกรรมคือถ้าชนะ ก, กรรมแต่งให้เกิดมาดีก็ตัดรอนให้เป็นไม่ดีตรงข้ามกันดิพเทศ ก็ตัดรอนให้เป็นไม่ดีตรงกันข้ามทีเดียวถ้าชนะ ก, ก, กรรมแต่งให้เกิดมาไม่ดีก็ตัดรอนให้กลับเป็นดีตรงข้ามทีเดียวบางทีก็ตัดรอนถึงชีวิตคือควรจะได้จะถึงอะไรสักอย่างหนึ่งก็มามีอันเป็นให้สิ้นชีวิตลงโดยฉับพลันกรรมจำแนกโดยกิจคือหน้าที่เป็นสีข้อหมวดที่สอง จำแนกโดยการที่ให้ผลได้แก่ 1. นทิตธรรมเวทนิยกรรมกรรมที่ให้สวยผลในปัจจุบัน 2. อุปัจะเวทนิยกรรมกรรมที่ให้สวยผลในภพหน้าที่เป็นอันดับจากภพในปัจจุบัน 3. ามอปราประเวทนิยกรรมกรรมที่ให้สวยผลในภพสืบสืบสอะโหสิกรรม กรรมที่ได้มีแล้วที่จรทำเวทนียกรรมกรรมที่ให้สวยผลในปัจจุบันนั้นหมายถึงกรรมอย่างแรงมากที่ให้ผลปัจจุบันนี้ทีเดียวเทีเยบได้เหมือนอย่างว่าบุคคลที่ได้กระทําความชอบเป็นพิเศษต่อชาติศาสนาหรือพระมหากษัตริย์และได้รับสุขสนองผลในปัจจุบันในด้านตรงกันข้าม ก็เหมือนบุคคลที่ประกอบกรรมที่มีโทษ ร, ร้ายแรงได้รับทุกสนองผลในปัจจุบันในด้านของศาสนาก็มีตัวอย่างเช่นการที่มําเพนทานในพระอรหันต์โดยเฉพาะที่ได้เล่าไว้ในเรื่องต่างๆได้ใส่บาตรแก่พระปัจเจกโพธิ์หรือพระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติโดยปกติว่าท่านเข้าเจ็วันออกจากนโรสมาบัตินั้นแล้วก็บินถมาบ แล้วใครได้ใส่บาตรท่านตอนนั้นล่ะก็กุศลแรงนักให้ผลในภพชาติปัจจุบันอุปชะเวทนียกรรมกรรมที่ให้เสวยผลในภพหน้าซึ่งเป็นอันดับจากภพนี้ก็ได้แก่อนันตริยกรรมในฝ่ายชั่วหรือว่ามหักัตกรรมในฝ่ายดีหมายถึงการได้สมาธิอย่างสูงเป็นชั้นรูปฌานและอารูปฌาน คือถ้าประกอบอนันตรียกรรมในฝ่ายชั่วก็ให้ผลคือว่าไปนรกในภพชาติอันดับนั้นทีเดียวถ้ามีมหักฆตกรรมดังกล่าวในฝ่ายดีก็ไปเป็นรูปปรพรมอารูปประพรมในภพอันดับไปทีเดียวอปราประเวทนียกรรมกรรมที่ให้เสวยผลในภพเป็นอันดับนั้นก็หมายถึงกรรม ที่ให้เสวยผลในภพที่เป็นลำดับลำดับไปไม่กำหนดว่าภพไหนอโหสิกรรมกรรมที่ได้มีแล้วนี้หมายถึงกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วหรือว่ากรรมที่ชื่อว่าให้ผลเสร็จเพราะไม่มีโอกาสจะให้ผลได้แก่กรรมที่พระอรหันต์ได้ทำไว้ก่อนแต่ท่านสำเร็จและมีเวลากาหนดที่จะให้ผลแก่ท่านในชาติต่อๆไป แต่ว่าท่านสิ้นพบสิ้นชาสิเสียแล้วฉะนั้นกรรมดังกล่าวก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ผลอันนี้ก็เรียกว่าอาโหสิกรรมเหมือนกันรวมเป็นสี่ข้อจัดเป็นหมวดหนึ่งตามเวลาที่ให้ผลอีกหมวดหนึ่งจัดตามน้ำหนักที่ให้ผลคือ 1. ครุกรรมกรรมหนัก 2. อ, อาสัญญกรรมกรรมที่ใกล้ สามอาจินตกรรมกรรมที่สั่งสมมาสี่กัตตากรรมกรรมที่สักว่าทำมาขรุกรรมกรรมหนักนั้นก็ได้แก่กรรมที่จะพึงให้ผลในปัจจุบันก็ได้แก่กรรมที่จะพึงให้ผลในปัจจุบันหรือในภพเป็นอันดับดังกล่าวแล้วอาสันนกรรมกรรมใกล้นั้นหมายถึงกรรมเมื่อใกล้ตาย อาจินะกรรมกรรมที่สั่งสมมาหมายถึงกรรมที่ได้ทํามาบ่อยๆกตัตากรรมกรรมที่ศักวะทมนี่มีความหมายสองอย่างคือหมายถึงกรรมที่นอกจากสามข้อดังกล่าวมาแล้วหรือว่ากรรมที่ได้ทําโดยไม่มีเจตนาซึ่งท่านว่าก็อาจจะให้ผลได้เหมือนกันท่านแสดงว่าคารุกรรมให้ผลก่อนเมื่อคารุกรรมไม่มี อาสันกรรมก็ให้ผลเมื่ออาสันกรรมไม่มีอาจินนกรรมคือกรรมที่ทำมาบ่อยๆก็ให้ผลเมื่ออาจินนกรรมไม่มีกระตัตากรรมก็ให้ผลท่านเปรียบเหมือนอย่างว่ายืนอยู่บนภูเขาหรือบนที่สูงแล้วก็โยนสิ่งต่างๆลงมามีก้อนหินก้อนอิฐจิ้นไม้ใบไม้ใบหญ้าอะไรเป็นต้น ของที่หนักก็มาถึงพื้นดินก่อนของที่เบากว่าก็หล่นลงมาถึงพื้นทีหลังกรรมทั้งสี่นี้เหมือนกันกรรมที่หนักก็ให้ผลก่อนกรรมที่อ่อนก็รองรองลงมาแต่ว่าข้อเปรียบเทียบอันนี้เคยถูกค้านคือถูกค้านว่าไม่ถูกเสมอไปที่ว่าโยนของลงมาและของก็จะตกลงมาตามลำดับน้ำหนักเพราะว่า ถ้าโยนไปในที่แห่งหนึ่งซึ่งสูบอากาศออกหมดแล้วของจะไม่ตกลงมาตามลำดับอย่างนั้นจะเท่ากันหมดที่จริงข้อคานนี้เห็นจะต้องใช้เป็นข้อยกเว้นให้ใช้สําหรับพระอรหันต์ที่เหมือนอย่างว่าสูบเอากิเลสออกหมดแล้วและเมื่อดับขันไปแล้วก็เป็นอันว่าเป็นอโหสิกรรมเสีทีเป็นหมดเรื่อง เพราะฉะนั้นจึงรวมกรรมที่แบ่งต่างกิจไว้4ข้อหมวดหนึ่งตามเวลาที่ให้ผล4ข้อหมวดหนึ่งตามน้ำหนักอีกสข้อหมวดหนึ่งก็รวมเป็นสิองเรียกกันว่ากรรมสิบอีกอันหนึ่งคือเวนคําว่าเวนนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นสืบมาโดยตรงจากกรรมชั่วคือเมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่ว ซึ่งหมายความว่าจะต้องไปเบียดเบียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นว่าเมื่อไปฆ่าเขาทำร้ายร่างกายเขาก็ต้องมีอีกผู้หนึ่งที่ถูกฆ่าถูกทำร้ายร่างกายลักทัพย์เขาก็ต้องมีอีกผู้หนึ่งที่ต้องถูกลักทรัพย์ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่สองซึ่งต้องเป็นตัวกรรมคือเป็นผู้รับผลแห่งการกระทาของบุคคล เมื่อผูกใจเจ็บจ<ะ>ก็เกิดลักษณะขึ้นอีกอันหนึ่งเรียกว่าเวรระหว่างบุคคลที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้กระทำกรรมและบุคคลที่สองคือผู้ถูกกระทำดังจะเห็นได้ในปัจจุบันเมื่อบุคคลที่หนึ่งดา่าบุคคลที่สองซึ่งเป็นผู้ถูกดา่าถ้ามีความเจ็บแค้นขึ้ น, นก็ด่าตอบ เมื่อด่าตอบขึ้นบุคคลที่หนึ่งก็กลายเป็นบุคคลที่สองและก็ต้องด่าตอบให้แรงขึ้นไปอีกหนักหนักขึ้นก็ถึงกับทำร้ายร่างกายกันจนถึงฆ่าฟันกันลักษณะดังกล่าวนี้แหละเรียกว่าเวนเวนเกิดจากการผูกคือการที่บุคคลที่สองผูกใจเจ็บและคิดทำการแก้แค้นและเวนนี้ท่านว่า ไม่จะผูกกันเฉพาะในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นยังอาจจะผูกกันต่อไปถึงชาติภพอื่นต่อไปด้วยและถ้ายังผูกกันอยู่ก็จะต้องมาพบกันและทำการแก้แค้นกันเป็นการตอบแทนกันไปตอบแทนกันมาอาจจะยืดเยื้อไปนานจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเลิกผูกดังที่เราเรียกกันว่าอาหูสิกรรม ขอยืมคํำอโหสิกรรมมาใช้และเมื่อเลิกผูกกันเมื่อใดเวนก็ระงับเมื่อนั้นเรื่องของการผูกเวนสืบชาติกันไปหลายชาตินี้มีตัวอย่างเทียบได้เหมือนอย่างการที่ผูกเวนกันในระหว่างชาติมนุษย์อย่างบุคคลที่รวมกันอยู่เป็นประเทศชาติและถูกชาติใดมาคมเหงรังแกก็ผูกใจเจ็บกันมา จนถึงชั้นลูกก็ยังรู้สึกเป็นศัตรูกันชั้นหลานก็รู้สึกเป็นศัตรูกันมีโอกาสขึ้นเมื่อใดก็แก้แคนขึ้นเมื่อ น, นั้นนี่ก็ผูกเวรสืบกันไปหลายชั่วคนอันที่จริงในด้านดีก็เวรเหมือนกันแต่เราไม่เรียกว่าเวรเราเรียกว่าความกระตันยูกระตะเวทีเหมือนดังเมื่อบุคคลที่หนึ่งทำคุณให้บุคคลที่สอง ซึ่งเป็นผู้รับคุณก็มีความกระตันยูนี่ก็เท่ากับว่าผูกใจรู้พระคุณของท่านและมีกระตะเวทีคือตอบแทนพระคุณท่านตามโอกาสอันนี้ก็เป็นเวนเหมือนกันแต่เป็นเวนไปในทางดีซึ่งท่านไม่เรียกซึ่งท่านไม่เรียกเรียกแต่ในทางตรงกันข้ามว่าเวนส่วนในทางดีเรียกว่ากระตันยูกะตะเวที ทั้งสองมีลักษณะเป็นทำนองเดียวกัน